ขอความสุขความเจริญจะ ม, มีเด่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องฐานิสูตรในติกานิบาตอังคุตรนิกายให้สังเกตดูว่าเราได้ยินคำว่าฐานิสูตรอยู่เสมอที่จริงแล้วโดยเนื้อหาก็ไม่ซ้ำกันแต่องค์ธรรมนะฮะไม่ได้ซ้ำกัน เขามฐานะก็คือสิ่งที่เป็นไปได้หรือเป็นฐานรองรับคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ได้แสดงถึงเรื่องของคนที่มีศรัทธาก็คล้ายๆกับเป็นเครื่องมือพิสูจน์หรือเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของคนที่ชื่อว่ามีศรัทธามาแสดงให้เห็นอาการ เฉพาะในที่นี้นะฮะท่งแสดงไว้3ประการประการแรกก็คือมีความใคร่มีความสนใจที่จะพบกับท่านผู้มีศีลประการที่สองก็มีความตั้งใจความปรารถนาที่จะฟังพระธรรม ะการที่สามก็คือสามารถขจัดมูลทินคือความสนีออกไปจากใจได้ก็โดยลำดับนะครับมีก็เป็นเครื่องหมายของคนที่เรียกว่ามีศรัทธาแล้ว ก, กลายเป็นมาตรเครื่องวัดที่จะสวจสอบจิตใจตัวเองได้โดยในครานี้พระตถาจารย์ได้ยกตัวอย่างบุคคล จริงๆก็หลังพุทธสมัยนะฮะที่ท่านยกมาเป็นคนหลังพุทธสมัยทล่าถึงบอุบาศกชาวกรุงปาตลีบุตรสองท่านได้ทราบข่าวเกียรติคุณของพระเทระที่เกาะลังกานะฮะปาตลีบุตรกอ็อยู่ที่ประเทศอินเดียก็คือเมืองปาตลีบุตรทุกวันนี่ยนะปัตนาทุกวันน่ย ก็ปรารถนาที่จะไปพบพระเทะรูปนั้นสมัยโบราณนะฮะแล้วสุดก็ชวนกันเดินทางดวยยาณพาหนะต่างๆบ้างเดินด้วยเท้าบ้างแต่เพื่อนคนหนึ่งตายเสียในระหว่างทางก็ตกลงว่าได้ข้ามไปเกาะลังกาเพียงท่านเดียว แต่ไปขึ้นฝั่งแล้วปรากฏว่าตั้นอยู่อีกเมืองหนึ่งก็ต้องเดินทางต่อไปแต่เกียรติคุณของพระเทรารูปนี้ก็มีคนทราบมากก็มา ก, กันมากก็ปรากฏว่าเมื่อไปแล้วก็ยังไม่ได้พบะจะหาที่พักตะเตรียม ก็ปราอาหารแล้วก็ไปทําบุญกับตักบาทกับพระทระก็เรียกว่าคนไปเข้าคิวกันก็เป็นแบบลักษณะของของชาวพุทธเรานะฮะที่ตื่นตื่นไปนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน้สุดก็ได้ไปพบกับพระทระท่านก็กล่าวว่า อธิระนั้นสูงนะเกิดคำว่าสูงก็คือสูงด้วยเกียรติคุณความดีที่แพร่กระจายออกไปถึงพื้นจุลูตวิปสมัยโบราณเนี่ยไม่เบาอ่ะนะฮะก็ลือดังได้ขนาดนั้นไม่เบาวัานนี้เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันดังก็ได้ไง่ายๆแล้วก็ทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ฟังธรรมะ มันเกิดสตาเริ่มใสามากยิ่งขึ้นแทนที่จะพบเฉยๆก็ขอบวชมนเป็นเพียรไม่นานก็บรรลุมรกรุผนไปเลยนี่ก็แสดงว่าบารมีไม่ใช่ธรรมดาถ้าบารมีสามัญสามันมากคงมาไม่ได้อะนะเพราะมันไกลเือเกินและตรงนี้ที่จริงแสดงลักษณะอย่างหนึ่งพี่เคยบอกไว้ว่า คนประเภทที่ท่านเรียกว่าปัจฉิมภวิกษาระมาความว่ามีชีวิตเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้านเหล่านี้จะต้องไม่ตายก่อนที่จะบรรลุมรคผลเป็นพระหรันแต่อาจจะบรรลุมรคผลเป็นพระหันแล้วตายก็ได้นะคือนิพพานเลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีหลักประกันอย่างหนึ่งว่า ศาเท่าที่ท่านไม่บรรลุมรคผลเป็นพระหา น, นั้นจะไม่ตายเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เกิดมาพบสุดท้ายแล้วคนส า, ายสองคนที่เดินทางมาด้วยกันแม้จะมีศรัทธาระดับใกล้เคียงกันตึกบสกคนหนึ่งที่ตายไปแสดงว่าไม่ใช่ปัจฉิมภพวิคสัตคนที่เป็นปัจฉิมภพวิคสัต จะต้องไม่ตายในระหว่างนั้นครับทิศประการต่อไปคือการการใคร่ที่จะพบผู้มีศีลเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ควรจะศึกษาสำเนีจอือบางครั้งบางคราวความเป็นชาวพุทธเราก็เป๋พอสมควรคือการที่เราจะยอมรับนับถือใครเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขของคนเหล่านั้น ก็ตามในโครงสร้างสังกัณฐ์คุณอย่างที่บอกท่านทั้งหลายหลายครั้งแล้วว่าสังคุคณข้างบนสี่ข้อเนี่ยมั้นเป็นโครงสร้างหลักของการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จริงของคนทั้งหลายในโลกนี้โดยทําไปหมายความว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั้นคือเกณฑ์แต่ที่ว่าเป็นอัตคุณคือคุณที่เกื้อกูลแก่ท่าน ถ้าเด้งในรับผลแล้วต้งก็เสร็จแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าเราเห็นว่าท่านที่เป็นเช่นเนี้ยมันเป็นอาหุนโยภาหุนโยกิจนโยเพราะนั้นคุณห้าอย่างข้างหลังเนี่ยที่เราสวดสรรเสริญสักก็คุณห้าอย่างข้างหลังเอานโยเป็นผู้ควรของคํานับหมายความว่าควรที่จะไปหาท่าน ไปกราบไปไหว้ไปสักการะไปอะไรก็แล้วแต่แหละเพราะอะไรเพราะว่าคนปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแกการไหว้มันก็เป็นคุณสมบัติของพระอระหันต์เราจะมองกลับไปที่บทคำว่าอารหังอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าอารหังก็แปลว่าควรเป็นหน้าหูนระยะเหมือนกันไม่ควรแกการควรแกการไปหาท่าน แม้จะเดินทางไกลตะเตรียมสเสบียงฝากความอุปสรรคการตราด ย, ยังไงก็ตามเพราะไปแล้วมันได้ประโยชน์ได้เกิดปุลยังบารสกทิวาเนี่ยเดี๋ยวควรแกการต้อนรับหมายความว่าถ้าท่านมาสู่บ้านของเราเราก็ต้อนรับมาก็เป็นสิริมงคลการต้อนรับการปรสาสัยการปฏิสันทานมันก็เป็นสิริมงคล แต่ถ้ากินนายโยก็ควรเกี่ยวกับการทําบุญเพราะว่าทําบุญแล้วจะได้บุญเป็นในข้อสุดท้ายที่ว่าอนุตตรังบุญเกเกตังโลกสะในเป็นนาบุญองโลกไม่มีอะไรก็อัญเชลิกะนายโยคือพนมมือไหว้มันก็เป็นที่ตั้งของบุญแต่หมายความว่าใจเราต้องรู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านปฏิบัติป ฏ, ตปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าเรารู้สงสัยเราก็ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเอะนะฮะมันเป็นการบริบบกของท่านเองท่านดีท่านก็ท่านก็ดีของท่านเสร็จแล้วอ่ะหมายความพระพุทธเจ้าที่จริงท่านสมบูรณ์ของท่านแล้วแต่ที่เราฟังทำเราทําบุญกับท่านเรารําลึกถึงท่านนั้นเพื่อให้เกิดบุญก่เรามันไม่ใช่เพิ่มบุญแก่พระพุทธเจ้ามันเพิ่มเรานะฮะเราทําเพื่อเราไม่ได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําเพื่อพระสงฆ์เหล่านั้นอันนี้คือการหลงประเด็นของชาวพุทธหล่อโยยะเป็นวันแ เป็นการหลงประเด็นเฉยๆเวลาเราถวายสังฆทานเราทําอะไรให้เราสังเกตเราทําเพื่อท่านที่ไหนเราทําเพื่อเราอะอัมหากังชีกรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าวใเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลา ย, าลายมีมันดาบิดาเป็นต้นเพื่อเพื่อเราที่ไหนเพื่อท่านที่ไหนมันเพื่อเราเราทําเพื่อได้บุญของเราแต่ถ้าเราเราไม่เห็นว่าท่านท่านเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ทําก็จบ ท่านก็คือท่านเราก็คือเรามันไม่จาเป็นอะไรกันนี่คือคือหลักในการมองมันมันมีโครงสร้างแม่บทอยู่แล้วที่เราไม่ดูเองนะฮะเราสวดกันแล้วเราไม่ดูกันเองใน่สุดก็แกว่งเมื่อเกิดปัญหาในด้านสุขภาพจิตใจคุณมัวเศร้าหมองไปเปล่าๆโดยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเราเป็นคนรับผิดชอบ เราอาศัยท so, ่านเป็นสื H ่อกระตุ้นให้เราได้บุญเรียกเป็นที่ตั้งของบุญเป็นที่ตั้งของบุญเป็นที่เกิดของบุญนะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ท่านท่านท่านเสกบุญให้เราหมายความว่าเราก็สร้างเหตุเพื่อเกิดบุญโดยอาศัยท่านเท่านั้นเองนะฮะอาศัยการรู้สึกว่าท่านปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะในตรงนี้ก็คือว่า เราเห็นความดีของท่านดังกล่าวแล้วก็ปรารถนาที่จะพบเห็นจริงๆก็ไม่จะพบเห็นเฉยๆเพราะพบเห็นแล้วมันก็เป็นนาหุนโยภหุนโยธีกิณโยอัญเชตรกานโยเห็นไหมมันก็เป็นหมดอ่ะเพราะเราก็คิดว่าคนเป็นอย่างนี้คืออนุตตรังคุนทักเกตต่างตระกสะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าแต่ว่าความสมบูรณ์ด้วยศีนั้นเป็นเรื่องของท่านนะฮะ ท่านเป็นคนรับผลโดยตรงถ้าเราจะรับผลของศีลเราก็ต้องเราก็ต้องสมาทานเองเราก็ต้องรักษาศีลเองท่านทำได้แค่เป็นสื่อเป็นผู้ชี้แนะแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าเป็นผู้บอกให้แต่นั้นเด็กมันไม่ใช่เรื่องปลุกเสกให้หรือว่าดนบันดาลให้เป็นกระบวนการของกรรมที่ใครทำคนนั้นก็ได้อย่างที่เราสวด ทีนี้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อยู่ที่การงดเว้นการสํารวมระวังจนอาการกายวาจาของท่านปกติอยู่ในศีลแต่ละคนก็รับผิดชอบศีลของตัวเองไม่ใช่คนหนึ่งจะไปรับผิดชอบไปแค่คนหนึ่งอย่างที่นางปตาจาราเทรีภิกษุณีทั้งกล่าวนี่ถูกต้องดีเสุดที่ท่านบอกว่าคนเรามาด้วยกรรมของเราอยู่ด้วยกรรมของเราจากไปด้วยกรรมของเรา แต่ละคนนั้นก็เป็นผลิตผลของการความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความดีความชัวม่วมาอยู่ที่การกระทําของแต่ละคนหรือที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์นี่ไม่ได้หรอจะทําได้ก็แค่บอกนะแค่บอกให้แต่นั้นเด็ด มันไม่เหมือนภาชนะที่เราเอามาชมราระล้างให้บริสุทธิ์ได้แต่จิตใจนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนจะต้องชราระล้างเอาเองแล้วก็ท่านเล่าถึงคนที่ปรารถนาการฟังพระสธรรมศธรรมมังโสตุมิจฉิติคือปรารถนาเพื่อจะฟังพระสัธรรม ในสมัยโบราณนี่จึงเป็นเรื่องยุ่งยากมากนะการจะเทศเนี่ยการจะฟังเทศสักครั้งนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เอาทีเดียวหรือบางทีเรามีศรัทธาจะฟังธรรมแต่ไม่มีพระทิจะเจตบา ท, ทีมีพระเทศแต่เราก็ไม่มีศรัทธาหรือยังไม่เกิดศรัทธาที่จะฟังทีนี้การจะประจบกันสองอย่างเนี่ยต้อเป็นเรื่องที่ ท, ที่ค่อนข้างยาก อย่างที่ทรงแสดงไว้เรื่องสิ่งที่เราได้โดยยาก4ประการนะฮะดูแล้วไม่น่ายากแต่จริงมันยากนะครับการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์กิจโฉมนุษสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์กิสังมัญจาในชีวิตต่างการมีชีวิตที่สืบต่อกันมาได้กิสังสัตธรรมมสวรรการมีโอกาสฟังพระสัตธรรมกิจโฉบุธานมุปโดการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้ง4อย่างนะี่ยากแต่นั้น เพราะนการการความธรรมจึงเป็นเรื่องของศรัทธาแล้วก็ทรงแสดงไว้ในประสูนย์ใกล้ๆนะฮะหมายความว่าคงไม่ใช่แสดงใกล้ๆอย่างนั้นแต่ว่าพระอ า, าจาย์ท่านเอามาเวลาพระสังขิติกาจารเวลาท่านจัดลําดับประสูนย์ท่านเอามาไว้ใกล้ๆ ก, ก, กันว่าการฟังธรรมมันจะต้องมีลักษณะลักษณะที่เกื้อกูลต่อกัน หมายความมาพูดแสดงธรรมะเองก็จะเกื้อกูลต่อตนเองในการคิดในการน้อมนึกในการศึกษาค้นคว้าเนี่ยหมายความมาตัวเองก็ต้องต้องต้อนรับผลมาก่อนในระดับหนึ่งแล้วเกื้อกูลแก่ผู้ฟังในขณะเดียวกันก็คือกูลแก่กันและกันทั้งสองฝ่ายดี๋ยวาบางครั้งการสนทนาธรรมการสอบถามปัญหาเนี่ย เรื่อวัตธรรมระสารกฉาที่ทรงใช้กำว่าเอตมังกัลมุตตะมังเนี่ยท่านทั้งหลายหลองสังเกตว่าการที่เราสนธนาธรร ม, มานั้นต่างคนต่างคิดในความคิดเนี่ยมันเป็นปัญญาเราต้องขจัดโมหะออกไปได้ไม่งั้นก็นึกไม่ออกก็ตอบไม่ได้ไอโลภะโทสะโมหะก็ต้องสงบไปด้วยเพราะเรากําลังคิดเรื่องธรรมะเนี่ยจิตใจไม่ได้ไม่เดินถูกปรุงด้วยกิเลสในขนาดนั้น มันแกเป็นเป็นการกระทาสิ่งที่เป็นมงคลคือลดลากิเลสให้แก่กันและกันในขณะที่ฝ่ายหนึ่งฟังก็เกิดสงบฝ่ายหนึ่งพูดก็เกิดปัญญาและในขณะฟั ง, ฟงพิจารณาตามก็เกิดปัญญาจิตใจก็สงบคือหมายความมาเพิ่มสงบเพิ่มปัญญาให้แก่กันและกันไม่จะเพิ่มให้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง การแสดงธรรมเฉพาะตรงนี้นะฮะทงสอนว่าต้องเห็นอ น, นิสงส์สามประการแต่ว่าอย่างในที่อื่นอย่างในธรรมวัสวนานิสงส์คืออ น, นิสงส์ของการฟังธรรมที่มีการพูด ก, กันมากและเผยแร่ ก, กันมากเนี่ยะทรงแสดงอ น, นิสงส์ไว้ห้าประการคือเนื่องผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นสามารถรดละบันเทาก็จัดความเครือบแรลงสงสัยลงไปได้ความคิดความเห็นก็จะถูกต้องขึ้นโดยลำดับและจิตใจที่ฟังด้วยความสงบนั้นจะมีความผองใสอย่างน้อยก็ผองใสเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ ทีนี้เป็นพลังของศรัทธาที่แสดงอย่างที่เคยเล่าถึงอุบาจิกาซึ่งเป็นโยมมันดาของพระโสนาคุติกันนะก็คล้ายๆกันนะฮะกับเรื่องที่ประตาตาจารย์ออกมาเล่าตันนี้นั่งฟังเทศลูกชายเทศเพราะมากกเทศพราะมาเป็นยอดทากรนถึกสมัยพุทธกาลนะเคยเทศแตพระเจ้าฟังเลยนะไม่ใช่เบาเลย ในขณะที่ท่านกำลังฝังเทศเนี่ยมีโจรไปขโมยเข้าบ้านแต่บ้านท่านใหญ่มีกำแพงมันก็ต้องเจาะกำแพงลอดไปใต้กำแพงเป็นอุโมงค์เข้าไปคนก็มาบอกโจรเข้ามาเจาะกำแพงเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นท่านบอกว่าอย่ารบกวนชนันฝังเทศไปเรื่อยจนโจรขนของมาแล้วนะท่านก็เฉย แม้คนอื่นมาบอกมารูกคนคนคงบอกเป็นตอนเป็นตอนทุกครั้งที่โจรทำอะไรไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็จะมาบอกเจ้นานก็ไม่ยอมไปก็บอกว่าโจรปรารถนาจะเอาทรัพย์สมบัติเข้าไปเสืะอจะมาทำลายโอกาสการฝังพระธรรมของฉันแล้วกันแต่ว่าพวกโจรที่ยืนมันก็ส่ง ตรงตัวหัวหน้านี่มาคุมอุบาสิกาไว้ที่วัดเนะะี่ยหมายความว่าถ้าออกไปดูก็ต้องถูกฆ่าแต่พอแกเห็นเช่นนั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสในตัวอุบาสิกาที่ที่เรียกว่ามีศรัทธามากแล้วก็ไม่เสียดายแม้แต่ทรัพย์สมบัติเลยไปขอกข้มาลาโทษแล้วก็คืนทรัพย์สมบัติคืนให้หมดเดี๋ยวขอ ขอบวชในสำแหนักของพระเถระในโจรสมัยนั้นก็โจรคุณภาพเองนีนะฮะในโจรสมัยนี้คองหายากเนะมาขนาดนั้นจะทิ้งเอาไว้เนี่ยนี่คือแสดงถึงพลังศรัทธาต่อการฟังธรรมมันไปเป็นไประทอนกลับตัวศรัทธาทีหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าเขาศรัทธาจริงๆ และในตรงเนี้ยก็มีเล่าหลายตอนเล่าถึงเรื่องของพระหลายรูปที่ฟังเทศของพระด้วยกัน น, นะนะะเป็นพระมาติระมือวันหนึ่งฟังถูกงูกัดในขณะฟังเนี่ถูกงูกัดมากันสามสิบรูปมาฟังเทศพระจากกุชชติสสะเถระ ก็ปรากฏว่ากวางฟางเนี่ยถูก ง, งูกัดงูงูงอะไรก็เรียกงูงูฟาคอนะ่ยรูปร่างเป็นไงก็ไปแล้วนะกัดท่านก็คิดว่าถ้าท่านจะส่งเสียงถ้าท่านจะบอกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะตานเป็นการทำลายการฟังธรรมหรือเขาต้องกุลีกุจอมาดูแลท่านมามาม า, มารักษารักษาท่านนะฮะเพราะถูกงูกัดมันจะตายเอา ท่านก็เลยจับงูนั้นใส่ถุงไว้แล้วก็นั่งฟังเทศเจริฟังจนจบเทศเนี่ยกิเลสหมดบรรลุมรรคผลพิษหมดก็หมดพร้อมๆกันไปหมดเลยความว่าเทศก็จบแล้วก็กิเลสของท่านก็หมดไปตัวพิษงูที่อยู่ในร่างกายก็หายไปโดยท่านก็ บอกเพื่อนที่ฟังเทศบอกผมจับขโมยได้คนหนึ่งก็ดึงดึงงูออกมาจากย่้ามันก็ปล่อยเพื่อนก็ถามงูกัดมาไหร่ท่านบอกว่ากัดตั้งแต่เริ่มฟังเทศใหม่ๆแล้วนี่คือลักษณะของของคนที่มีพลังศรัทธาถ้าจะคุณอุบาลีคุณอุปามาจราัจนทร์สิริจันโทนะฮะวัดป ร, รมมนิวา ในตอนสุดท้ายที่ท่านขึ้นเทศท่านนั่งยังไงขาหัก่าดีแลยนั่งเทศแต่ขาหักหักต้องไปขึ้นธรรมะนะนะะเทศจนจบเทศจบเรียบร้อ ย, ยาตดโดยไม่รู้เลยข้างล่างหลวงพ่อขาหักแปแล้วแต่พอลงจะธรรมะลงไม่ได้โยมาขึ้นไปหามกันขึ้นมานี่คือแสดงให้เห็นถึงพลังพลังศรัทธาที่มันไปกด แต่ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากขาหักก็ดีนะจากงูกัดก็ดีเนะี่ยให้หายไปได้เป็นการแสดงถึงพลังของที่จริงสมาธินะฮะแต่ถ้าเรามองดูให้ดีแล้วมันก็จะมีทางอินทรีย์นี่มันครบทั้งห้า จะทาก็ดีความเพียรก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเดีวมีครบเลยแต่ว่าศรัทธาเป็นตัว น, นําอย่างที่เคยพูดเรื่องของอินทรีย์ทั้งห้าประกาศมาแล้วก็แนวตัวเนี้มีมีมีเยอะที่ท่านเล่าโดยเฉพาะเรื่องพระเจ้าศรัทธาติสสะที่ไปทราบข่าวเกียรติคุณของพระกุจชะติสสะเถระที่เป็นพระหัน การจะไปฟังธรรมของทรรมันก็มีทั้งสองอย่างตรงเนี้แสดงว่าต้องการพบผู้มีเสียงก็ต้องการฟังธรรมคือใครต่อการฟังธรรมแต่ย ก, กไปเป็นขบวนหรือกระทึก ท, กทกุโรมนะฮะไปแบบพระราชาสเดชเนี่ยสตีร่าก็ถามมันมีเสียงอะไรก็บอกพระพุทเจ้าสัาธิตะต้องการจะมาพบองพ่อแล้วก็ต้องการจะมาฟังเทศ ท่านก็เห็นว่ามันเป็นเวลายังไม่สมควรท่านก็ออกไปนั่งทำทีใกล้ๆกับขีดดินแต่ว่าจะขีดจริงนะฮะขีดจริงนี่พระขีดดินไม่ได้นะฮะพระไปขีดดินไปขุดดินอะไรในไะม่ได้ตัวนี้ เวลานี้ก็มีลักษณะขัดแยงเยอะเลยก็ทำลำบากอ่ะเวลานี้เามายัางอย่างเมื่อวานก็พูดกับพระใหม่ว่าต่อไปในสมณภาวะคือความเป็นพระในี่จะรักษาได้ยากพราสังคมเรานีมั่วสังคมมั่วไปเรียกร้องพระให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งหมายความถ้าทําอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระทำแล้วมันไม่ใช่พระแล้วพระมันมนมั น, ม, น, ม, นมันมีลักษณะมันมีธรรมะสาหรับประพฤติปฏิบัติ ทำไมไม่ถางหญ้าจะมากปล่อยวัดรกได้ยังไงหลวงพ่อเนี่ยเอามาดูพ ร, ระถางหญ้าพระถางหญ้าก็ต้องอาบัติทําไม่ถางชาวบ้านก็ด่าในนี้คือคือคือปัญหาจะตามมาเยอะแล้วมีอีกเยอะนะฮะหลายๆเรื่องเราเห็นว่าเวล น, นี้มันเป็นประชามติไปแล้วถูกผิดไม่มีใครคิดแล้วยังตักบาตรเพนพุธทางภาคเหนือนั่นแหละพระต้องลุกขึ้นบิณฑบาตตอนเชื่องคืนเนี่ยนะฮะอุตรุดอะตักบาตรเที่ยงคืนนี่นะ ต, ต, นนต้องอบาบัติเล่เลยนะ ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะพระก็ไม่รู้จะว่ายยังไงมันเป็นสังคมมันเป็นถูกการบีบคั้นทางสังคมเป็นขนรรมเนียมประเภณนีที่จังหวัดทางฝ่ายศาลนี่มีเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังมันมีประเภณนีทอดออสงกรานญาตโยมผู้หญิงเนี่ยนะอาบจับพระเนนโยนบ่อเลยจับเล่นน่ย ทั้งวันน่ยนะะแล้วตอนตอนเย็นตอนเย็นก็กลับไปอาบน้ําแต่งตัวถือดอกไม้ทุกเชียนแต่งชุดขาวมากราบขอเข้ามาจากพระเนนโยนบ่มั่งอาบน้ํามั่งะอะไรแต่อะไรมั่วไปหมดเลยทั้งวันเนี่ะแตเสร็จแล้วตอนเย็นก็กลับตอนเย็นก็กลับมาขอเข้ามาก็เรียกว่าตอนกลางวันก็ไม่ต้องเป็นพระเป็นเนนกันแหละแล้วก็ตอนเย็นก็ตั้งเป็นพระเป็นเนรจะใหม่แต่เนี่ย ค, ค, คือคือคือลักษณะที่มั่วของสังคม รื่อนี้มีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งข้าวสารอาหารแห้งนี่พระรับไม่ได้นะถ้ารับแล้วในะรับได้แต่ว่าต้องฉันในวันนั้นถรับแล้วเก็บไปฉันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นสันนิธฐคือรับประเขตไม่ได้ทีนี้ถ้าตักบาตมันต้องรับแน่นอนนะตักบาตต้องรับแน่นอนถ้าถ้าเขาถวายเนี่ยเขาไปมอบให้เด็กไว้ไม่ใช่ถวายแบบนั้นเรื่องนี้ประกาศกันหมดทั่วประเทศแล้ว แล้วพระก็บางทีก็เป็นโคศกเสียเองด้วยเลยไปกันใหญ่อะผลท้ายนานๆย่างนึกถึงภาพผ้าเหลืองน้อยห้อยหูอย่างนี้ยยศเกิดเมื่อไร่ก็ไม่รู้่ะนะลงมั่วๆอย่างนี้แล้วก็พักเดียวแหละ ไ, ไปแล้วนี่คือกระแสสังคมว่าคนของเรานี่ไม่รู้เรื่องศาสนารู้กันไม่เท่าไรหรอฮะเก่งกันอย่างนั้นเองอะ่ะไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่ไละตอนบวกละขี้เกียจเรียนหนังสือนี่ยนะไม่เคยใช้ขยันเรียนเท่าไหร่ แล้วก็ในที่สุดไอ้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกสิ่งที่ถูกกลายเป็นผิดเป็นปัญหาเยอะตรงเนี้ยท่านท่านท่านเห็นว่ามันไม่ถึงเวลาพระสัทธาติสาทท่านก็ไปตัดสินทานทีท่านเห็นว่าเออพระเป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่พระอราหันต์เลยกลับเลยแล้วเมื่อ ก่อนจะนิพพานเนี่ยตอนจะนิพพานท่านอาธิฐานองค์นี้เล่นแรงเนี่ยองค์นี้เล่นแรงอธิษฐานให้ศพของท่านเนี่ยอยู่บนบุดสบกแล้วเลื่อนลอยไปถึ ง, ง 5, 5ดังห้ากิโลห้ายอดเพื่อให้ประชาชาได้ได้ไหว้ได้สักการะแล้วพอไหว้แล้วก็เกิดเป็นไฟลุกมันก็ปนป น, ปนกันนะฮะปนปนกันอย่างแบบของพระพุทธเจ้ากับแบบของพระอานนท์ พระนนตอนตอนนิพานก็อธิษฐานอธิษฐานแนวนั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลอยของพระนรนนะแยกแยกร่างกายเอาเป็นสองซีกแล้วก็ตกคนละฝั่งของแม่น้ำโรฮินีเพราะว่าพระญาติทวกแย่งศพกนันอุดตลดุดเลยไม่รจะทำยังไงก็นิพานท่ากลางแม่น้ำโรฮินี ต่างคนต่างญาติฝ่ายโกริยะฝ่ายสักยะก็ให้นิพพานคังน้นฟังนี้พระปรานมท่านอยู่เหมือนกับตัวแทนของราชวงศ์ศักยะในขณะนั้นนะนะแต่เราดูแล้วก็เป็นกุลเชษต์คือเป็นผู้เท่าของสกุลเพราะว่าโดยพรรษาเนี่ยท่านก็แปดสิบกว่าท่านก่าวกับพระเจ้าก็เป็นผู้เท่าของสกุลเป็นญาติผู้ใหญ่ของสกุลศักยะโกริยะ พวกนั้นเลยแยงศพกันท่านเหลือทิฐฐานให้ศพแยกเป็นสองซีกเพื่อพวกญาติไม่ต้องทะเลาะ ก, กันอันนี้คือแนวของก็ เ, เรียกว่าสัตยาทิฏฐานหรือสัจจะทิฏฐานสัจจะทิฏฐานคือสามารถทีิยาทิฏฐานให้เป็นไปาตามที่ต้องการได้ถ้าว่าเรามีบารมีมากพอนะนี่ท่านเป็นพระหันก็ไม่ต้องฟูดหรอ ของการใคร่การสนใจการฟังพระ ธ, ธรรมคาว่าฟังที่จริงเนี่ยเราอย่าลืมว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันก็พูดถึงเรียนโดยมุขปาฐะคือเรียนด้วยการฟังเป็นหลักมันก็เหมือนกับพูดเรื่องน้ำตาลนะฮะได้มาจากน้ำตาลก่อนเราก็เรียกน้ำตาลจนเดียวเนี้ยทุกวันได้จากอะไรบ้างมายุ่งยาไปหมดเลยคงคงเรียกน้าตาลเดียว คือสรุปแล้วก็คือมีความสนใจใส่ใจที่จะอ่านก็ได้ที่จะฟังก็ได้ที่จะสนทนาก็ได้ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็ได้หรือที่จะคิดอะไรก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรทั้งหมดนึยก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของความพอใจยินดีในเรื่องพระสธรรมแต่ถ้าเราหลายมองดูธรรมะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้ที่จริงก็คือฉันทะในอธิบาย เรามีฉันทะในการฟังฉันทะในการคิดแล้วก็เกิดฉันทะในการที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนี้จึงเป็นทางที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการลักษณะตรงนี้เป็นตัวสะท้อนและเรามองกลับไปอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าเราจาลองลักษณะเหล่านั้นออกมา พอเวลาพูดถึงคุณสมบัติของอ์บัณสกปฏติกาประเภทรัตนะก็เริ่มที่ศรัทธาศีลเหมือนกันเห็นนหฮะเริ่มที่ศรัทธาศีลเหมือนกันเราพอใจในท่านผู้มีศีลแล้วก็เกิดศรัทธาต่อผู้มีศีลมาก่อนมาถึงจุดหนึ่งเราก็น้อมนําเอาศรัทธาศีลนั้นมาเป็นฐานใจเป็นหลักใจของเราแล้วก็แสดงสถานะความเป็นอุบาสกา บาซิกาออกมาประเภทที่เรียกว่าเป็นรัตนะอย่างที่เคยบอกไว้ในบางก่อนว่าคุณสมบัติจริงๆก็คือศรัทธาการมีศีลก็ดีการเชื่อกฎของกรรมก็ดีการไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเกียรติบุญเฉพาะในพุทธศาสนาก็าดีนั้นที่จริงมันเป็นการสะท้อนศรัทธาเป็นพลังของศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นเองโดยธรรมชาติของเขา ประการต่อไปนั้นคือขจัดมนทินคือความสนีทออกไปจากใจได้มันเป็นการพิสูจน์เลยนะฮะเพราะว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำปฏิกิริยาต่อกิเลสทั้งหลงทั้งโลภทั้งโกรธนะแต่เขาศรัทธานั้นขจัดตัวหลงก่อน คือหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องน้อมใจเชื่อขจัดความไม่เชื่อในสิ่งนั้นในบุคคลนั้นในเรื่องเหล่านั้นออกไปได้แล้วจนขจัดความเครียดแคลงสงสัยในคนนั้นในสิ่งนั้นในเรื่องเหล่านั้นออกไปได้และการต่อไปก็คือขจัดกิเลสประเภทโลภะ ลองสังเกตว่าเราศรัทธานในวัตถุบุคคลใดเนี่ยเราพร้อมจะสละจะให้สิ่งของแม้แต่ที่เรารักเราหวงแก่บุคคลเหล่นั้นอย่างที่ทรงแสดงรูปของทานที่รูปของธาตสถานสหายทานส า, นส า, นสานมีทาน น, ะนะนั่นก็แสดงว่าวัตถุที่เราให้เนี่ยถ้าเรายังตันีอยู่เราก็ให้ไม่ได้ และในตัวคนที่เราจะให้ถ้าเรายังเราไม่ชอบหรือเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้จริงๆธรรมะจึงเกิดอยู่เยอะให้ลองตรวจดูกันแล้วกันนะะลองลองดูภายในใจว่าตรงเนี้ยที่จริงมันมีธรรมะคืออะไรบ้างก็จะเกิดมาสนับสนุนการให้ทานจึงมีสองอย่างคือมีสิ่งที่เราให้กับมีคนที่เราให้ความรู้สึกเราต้องดีทั้งสองอย่าง หมายความว่าของนั้นเราต้องไม่เสียดายถ้ายัางเสียดายก็ให้ไม่ได้หมายความยังตเนี่ก็ยังให้ไม่ได้ในตัวคนนั้นเราต้องไม่โกรธถ้าโกรธก็ให้ไม่ได้และต้องมีพร้อมทั้งสองอย่างด้วยนะฮะเช่นสมมุติว่าของเราไม่เสียดายหรอกแต่คนนี้เราหมัม่นไท่ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเดินไม่ได้นะะแต่คนนี้เรารักเขาแต่เราเสียดายของ เราไม่ให้เหมือนกันเน่นะเราไม่ให้เหมือนกันแสดงว่าศรัทธาก็ต้องทำหนะ้าที่ขจัดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะและจะเห็นได้ชัดพอแยกเนะี่ยจะเห็นได้ชัดตวมองนึกแยกให้ดูว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะเช่นเช่นอย่างเคยยกตัวอย่างโดยฤษยาเนี่ยก็เหมือนกันฤษยานั้นศรัทธาขาจัดได้ หมายความว่าถ้าเราคนสมัครคนที่เราศรัทธาแล้วเราจะไม่ริษยาที่เราริษยาเพราะเราไม่ศรัทธาถึงคนนี้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับน้องถือยกจ้องคนทั้งหลายถ้าเราศรัทธาเขาอยู่ก่อนเนี่ยเราจะไม่ริษยาเราจะมุติตานะฮะเราจะเกิดมุติตาเราสังเกตนะเราจะเกิดมุติตาบางทีก็ช่วยช่วยเหโลสละพากันไปใหญ่ได้ แต่ถ้าเราไม่ศรัทธาในท่านเนี่ยเวลาท่านเจริญเติบโตขึ้นมาเราลิสยาได้เดี๋ยวถามมาทำไมจริงริสยาก็เพราะเราอยากได้สิ่งที่ท่านได้เองหมายความว่าจริงๆเราสนี่สิ่งที่ท่านได้เห็นไหมเรจาจะดีสิ่งนี้ท่านได้แล้วเราก็ไม่ชอบไม่ชอบท่านเพราะท่านได้ ตัวคนน่ะเราไม่ชอบตัวของนั้นเราอยากได้ตัวของที่เขาได้ตัวลาบตัวยศตัวสุขตัวสันเสริญที่เขาได้นั้นเราอยากได้แต่ตัวคนที่ได้นี่เราไม่ชอบเราจึงเกิดเป็นริษยาที่นี่ความเจ น, นีนี่มันเป็นอาการหนือดอาการเหนียวของจิต แล้วถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตที่จริงมันมันแตกกิ่งมากกว่านั้นเยอะนะฮะแตกกิ่งมากกว่านั้นเด็ะเวลาไปบรรยายอบรมพวกศารเนี่ยนะฮะสารเนี่ยมาอบรมบางทีตั้งแปดเก้าชั่วโมงเราพูดอคาาติอยู่สีข้อแต่นั่นเองแต่เราจะโยงให้ดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรยังไงพูดเรื่องอคติแต่นั้นเองยพูดเรื่องเนี่ยเพติก็คือความลำเอียงความไม่เที่ยงธรรมนะฮะ ษาเนี่ยเป็นเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมถ้าเรามีไม่มีอคติเราก็มีธรรมะแล้วนี่มัจริยะคือความสนิมันจะออกมาซีกลุ่มใหญ่ๆแต่อย่ามองว่ามันติดอยู่เฉพาะตรง น, น, นั้นนะครับเนื่องลาภมาัจจาจะหนีผลประโยชน์ทั้งหลายหวงผลประโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นได้ หวงไว้คนเดียวกีดกันคนอื่นซึ่งเราจะเห็นว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยนั่นเป็นอาการของโลภะในของแต่ก็เป็นอาการของโทสะในคนที่จะมายื้อแย่งผลประโยชน์ถ้าบันแรงขึ้นมานี่อาจฆ่าได้เห็นไหมฆ่าขัดผลประโยชน์กันนั่นเพราะอะไรพระใจมันจะหนีหวงจนแรงไปนะ ยอมยอมทำชั่วอะไรยอมฆ่าคนอะไรเพื่อไม่ต้องการได้ผลประโยชน์เหล่านังสรานการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จึงเป็นเป็นสูตรแรกพอมีการฆ่ากันตายตำรวจต้องต้องสารนิษฐานไว้ก่อนว่าขัดแย้งผลประโยชน์กันนั่นก็คือสิ่งที่ท่านเรียกวา่าลาภมัจเจติยะเราหวงผลประโยชน์เหล่านั้นลาวคือสิ่งที่เราได้ จ, จริงมันก็เยอจะแยะอะไรก็ตามนะฮะพูดพูดสำนวนรวจปัจจุบันกะ็คือผลประโยชน์ั้างน้น สังคมโลกสังคมเราก็มีความรุนแรงอย่างนั้นแต่ลองสังเกตว่าพอถึงจุดหนึ่งสําหรับคนที่เราศรัทธาเราคนที่เราศรัทธาีนเราให้ไ ด, ได้เราให้ผลประโยชน์เหล่านั้นได้ถามเหตุผลมันไม่มีอะไรมันศรนะัทธาเนี่ยมันอยากให้อนะ่ะมันอยากให้อนะ่ะไม่ต้องไปถามอ่ะมันอยากให้อนะไรกันนั้นก็คือลักษณะของจิตใจที่มันมีศรัทธา แล้วเขาก็ไม่ติดใจในรายละเอียดนะฮะเขาไม่ติดใจในรายละเอียดให้ลองสังเกตเราบางทีชาวบ้านเนี่ยไปวุ่นวายกับพระอะไรก็เลยพระที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาไม่ถวายของสูงนะเขาถวายหลวงพ่อเของนะเขาถวายเฉพาะหลวงพ่อหลวงพ่อเอาไปทําอะไรก็เอาไปเขาไม่ได้ติดใจเลยท่านเอาไปทําอะไรแต่คนนไปยุ่งเขาเองไงนะคนนอกๆคนที่ไม่ได้ถวายนะไปยุ่งเขาเองนะ แล้วไปดูตัคนที่เขาถวายนี่เขาไม่ได้ติดใจหลวงพ่อจะเอาไปทําอะไรแต่เขาศรัทธาในหลวงพ่อประสานหลวงพ่อเขาต้องการจะถวายหลวงพ่อหลวงพ่อจะทําอะไรก็ตามคล้ายๆกับเราถวายอะไรโดยเสด็จพระราชากระสตามพระอัทยาศัยไม่ได้ติดใจขอให้ได้ถวายแต่เองห น, น้าที่ของเราจบละไม่เคยตามไปตรวจสอบเลยว่าท่านเอาไปทําอะไรนั่นคือพลังเดียวกันนะพลั ง, งความจุรกภคดีพลังศรัทธาพลังเดียวกันเราไม่ติดใจอะไรเลย เราอยากทําที่สุดก็คืออยากให้เท่า น, นั้นเองอยากให้เท่านั้นเองพอได้ให้ก็ปีติปราโมทแล้วเกิดความสุขแล้วก็จบแล้วแต่เจอไปทําอะไรก็เรื่องของท่านใจมันจะไม่เอื้อมทีนี้ตรงนี้ท่านท่านทัน้ทงหลายจะเห็นว่าบางทีในศรัทธาไม่จริงแต่ท า, าไม่จริงบางทีถวายอาหารไปแล้วไปนั่งชี้ให้ฉันอีกเลยโอ้ยตายเลยอานเต็มโต้เพื่อนฉันหมดก็ตายครบก็ตายิ ไปนั่งชี้ไอ้นี่อร่อยไอ้นี่อ ร, อออร่อยนี่ฉันได้น่อยก็ไปเลยมึงเยอะจ้าเราไม่ฉันได้ไงก็ฉันไม่ฉันก็ช่ชชางไงเราไปเกณฑแล้วอะ่ะปากท่านมีตาท่านมีนะฮะการท่าท่านมีท่านจะฉันเท่าไหร่ก็ฉันไปเห็นไหมเราจะเอื้อมไปเลยเอื้อมตามไปคุมอีกเทียวหนึ่งยังเป็นเจ้าข้าเจ้าของยังเป็นเจ้าข้าจ้ของแ ส, สดงไม่ศรัทธาจริงยังขวงยังบางทีก็ต้องให้ฉันของตัวเองนั้นไปกีดกันคนอื่นด้วยนะะ อย่างพระดังๆมาองนี่ลูกศิษย์ล้อมเต็มแย่งให้ฉันนะฮะถ้าหลวงพ่อตามใจลูกศิษย์จะตายนานแล้วไม่เหลือหรอกจะดีนะหลวงพ่อใจแข็งอย่างไ้ น, นี่ก็คือลักษณะของศรัทธาที่ไม่จริงเราเห็นได้ชัดเลยตามไปยึดนะฮะอย่างตามไปยึดอยู่ไม่ได้ปล่อยเขาเรียกว่าวัขขารขะระโตยินดีในการปล่อยปล่อยเลยลอยไปเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย ลักษณะนี้แนวถวายโดยเสด็จพระชักุสุนีนะครับว่าเราปล่อยแล้วไม่ตามไปดูเลยให้ถวายหลวงพ่อไปแล้วไม่สนใจหลวงพ่อทำอะไรเราเชื่อมั่นในหลวงพ่อเท่านั้นเองแล้วเราก็อยากให้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ในั่นคือลักษณะของศรัทธามันขจัดตรงนี้แล้วขจัดได้จริงทีนี้เราลองดูไปเลยจนถึงจน ถ, ถ, ถ, ถึงพวกอาวาสปัริยตรณีอาวาส กรณที่อยู่อาศัยนะฮห่วงที่อยู่ห่วงสถานที่บางทีก็หวงห่วงทั้งประเทศเลยนะ ก, ก็แล้วแต่แต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องห่วงส่วนมากท่านอธิบายอธิบายวัดนะฮนะอธิบายวัดเพราะวัดเนี่ยมันไม่ใช่ของใครวัดเป็นสมบัติสาธารณะเพราะงั้นคนที่ห่วงวัดเนี่ยที่จริงก็น่าอายมากนะไม่ใช่วัดกัตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่ากนตัวเองก็ห่วง ถ้าเรานึกแล้วเนี่ยนะเรานึกแล้วบางทีมันก็เหมือนกับหมูอ่ะะออุปมาหมูย้ายแรงแบบนั้นเนี่ยนะเมือนก็หมูที่คนอาหารไปให้แล้วมันไปหวงอ่ะไปไล่กัดคนอื่นไปไล่คนอื่นไปดันคนอื่นตัวอื่นนะฮะตัวอื่นไม่ต้องการจะให้คนอื่นทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่อาหารของมันอาหารขงคนอื่นเนะี่ยฮะนั้นภาพอย่างนี้เราเห็นได้ชัดว่าเป็นอาการกิเลสที่ชัดมากแล้ดูอย่างอื่นก็ได้นะะ ตดูยังงงกันได้ที่ว่าจริงๆไม่ใช่ของเราอนะแต่พอเขาให้แล้วก็ไปไล่คนอื่นนะไล่คนอื่นเอื้อมือเป็นเจ้าข้าเจ้าของนั้นแสดงถึงว่าความคับแคบในดานจิตใจแต่ที่นี้คนที่เขาศรัทธาจริงๆเนี่ยเช่นสมมติว่าธนนาทบินธิกาติถิไม่ใช่สมมติอะดูตัวอย่าง ด, ดูตัวอย่างแล้วกันทนนาทบินธิกาเศรษฐีก็นางวิสาขาท่านเป็นเจ้าของ เวลาพระสูตรพูดเนี่ยพระเชตวันอันเป็นอารามของอนาตบินิกะเศรษฐีในเมืองสาวัตถีบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาคือคือพระเองก็ยอมรับว่าเป็นของเขาแต่ว่าท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นของท่านในฐานะที่จะต้องดูแลเอาใจาใส่นั่นเองแต่จะไม่จุนจานถึงคนที่ไปอยู่คนไปอยู่ท่านจะให้อุปถาการบารุงดูแล มาใช่ตั้งตัวเป็นสมภารอยู่นอกวัดนะนะฮะเรื่อนี้มันมีปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งในวงการพระซึ่งก็อึดอัดกันอยู่เยอะเลยนะฮะก็ทั่วประเทศแล้วนะฮะมีมากมีน้อยก็เรียกว่าสมภารอยู่บ้านหัวลานอยู่วัดปัญหาใหญ่พวกเจ้าวัดทั้งหลายนะฮะมาตั้งตัวเป็นสมภารในวัดพระไม่มีสระพระมีสระในการจะทมอะไรเนี่ยสมภารอยู่ที่บ้าน เอามสั่งการจนออกมาเป็นรูปของวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือพูดหลายๆเรื่องไง น, นะที่ยุ่งมากก็คือเข้ามาจุนจ้านในการควบคุมพระในการสั่งการในการบังคับพระในสุดพระก็ก็ไม่ยอมอยู่อนะเพราะว่าแล้วก็หนีไอ้ความวุ่นวายอย่างนั้นมาจากบ้านแล้วมาเจอวุ่นวายหนักก็อีกในสุด ผลบุญที่เราต้องการจะได้จริงๆมันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แสดงถึงศรัทธามันไม่คัดจัดความสนิทออกไปได้นะอย่างไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่ายัางเป็นกูกูของกูอยู่ยังเป็นของกูงกูอยู่ไปยึดไปยึดในสิ่งเหล่า น, นั้นทีนีถ้ถ้าเรามองเลยไปจะเห็นนี่ชัดชัดที่ขึ้นมากกว่านั้นอีกนะฮะ ศรัทธานั้นรงแสดงอานิสงส์ไว้ในอสองข้อสุดท้ายว่าไม่หลงตายคือตายยังมีสติแล้วก็ตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติทีนี้ถ้าถ้ายังมีบนทินคือความเจนีอยู่ความขวงความยึดในสิ่งเหล่า น, นั้นอยู่เนียมันหลงตายนะฮะตายแล้วบังเกิดในทุกติมันก็กลายเป็นเครื่องพิพสูจว่าเธอไม่มีศรัทธาจริง เป็นการวิสูต์ว่าเธอไม่มีศรัทธาจริงเพราะว่าศรัทธาจะต้องให้ผลอย่างนี้เป็นที่เคยเล่านะที่จึงเยอะเลยเรื่อง น, อ น, นงี้คนที่หวงทรัพย์สมบัติคนที่หวงที่อยู่อาศัยหวงวัดวารามหวงอะไรแต่อะไรกัตางที่ตายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างบ้าง เป็นช้างบ้างเป็นงูบ้างนะะเป็นพระอย่างดีก็เป็นพระภูมิเจ้าที่น ะ, ะที่เรียกปู่โสมนะฮะก็เป็นพระภูมิเจ้าที่ติดอยู่ที่วัดนะฮะสมภารมาองค์ตายไปแล้วไม่ได้ไปไหนมาติดอยู่ที่โบดสถ์อยู่แถวโบสไม่ได้ไปไหนติดวัดะฮะยึดวัดเถอะแล้วก็หวงยึดติดในสิ่งเดียวนั้น มันเนียวจิตไวไม่อย่างที่บอกมันหนืดไงฮะลักษณะของมัชฉริยะมันหนืดมันเหนียวมันเป็นยางมันทําให้การจิตใจเนี่ยมันมันไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่สถานที่ในผลประโยชน์ในรายแต่ละก็ยึดติดถือเป็นของเราของเราแล้วไม่ยอมไม่ยอมสละไม่ยอมปล่อยวางอันนเรียกว่าวดสักคะระโตคือจิตมันมันไม่ยินดีในการปล่อยวางแต่ยินดีในการยึด ในการยึดมันก็กลับไปดูว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยไม่มีกําลังก็มองกันไปกันมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าตรงนี้มีตรงโน้นไม่มีตัวนั้นถ้าเธอยังมีมัจฉริยาอยู่แสดงว่าเธอไม่มีศรัท ธ, ธาจริงเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยมันขัาจัดได้ทั้งหลกงพ่อโทสะโมหะอย่างสมมุติว่าวัดของฉันของฉันของฉันได้สร้างมาตั้งนานแล้วนะฮะ ตอนนี้มีมีปัญหาอย่างที่บอกคนก่อนในจังหวัดสุพรรณนะที่เขาเกิดฟ้องนี่ใหม่แล้วโทรศัพท์มาบอ่อยเลยเมื่อวานวันซื้อนะ้ส่งจดหมายมาฟ้องมาอีกเขียนเลยมือสวยด้วยฟ้องเจ้าคณะจังหวัดอนะ่คะคือใกลกับามาใหญ่กว่าเจ้าคณะจังหวัดแต่เองฟ้องเราให้ตัดสินเจ้าหน้าจังหวัดไงก็บอกเขาแล้วนะจริจริงอธิบายฟังบอกมาแล้วมีมอำ น, นาจหน้าที่หลอกจริงจริงก็เป็นเรื่องคนอนิกายกันด้วยนะะเรื่องคนอนิกายกันด้วย ตอนนี้ก็ฟ้อง ม, มาอีกละไอ้เราบอกเจ้าคณะภาคกอะไรปรากฏว่าไอ้ของที่หายไปเนเป็นของรุ่นของปู่รุ่นปู่นะฮะถวายวัดเอาไว้นาฬิกาปารีสนาฬิกาปารีสที่อะไรละ่ะเป็นมุกอะนะฮะพระธทําทเป็นมุกไว้เห็นรูปเป็นเทาเครือเคลือเทาลายเคลือเทาอะไรตไร่างๆเนี่ย เลยจะฟ้องร้องสมผานจะให้สมผานสึกไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยงงๆนะเห็นไหมว่าเสนีเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อะไรของเราเราไม่เกิดอ่ะตั้งแต่ในการนั้นมันมีอะเรายังไม่เกิดเลยแต่เราก็ไปยึดเอาไปยึดเอมามันก็คลากปัญหาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งวัจจีทุจริตทั้งจิตใจขุนบวงโมขุนสร้างปัญหายๆๆเยอะแยะมันก็บอกกลับว่าเธอไม่มีศรัทธาจริง ใจมันไม่ปลอดโสะขะระโตคือยังไม่ยินดีในการปลอดการสละจริงเดี๋ยนั้นกุลมามัชยรญาต์ตนิสกุลตนิสกุลนั้นหมายความว่าฉันไม่ยอมไม่คนอื่นมาเกี่ยวอข้องคนในสกุลเรามนเชื้อสายไอ้เชื้อสายเรื่องสาเหลอกกอของเราเห็นพวกถือโคถือสกุล อย่างพวกสมัยโบราณนั่นก็ชัดก็เราสมัยนี้ก็เยอะนะฮะนามสกุลอะไรเนี่ยถามก่อ น, นสกุลอะไรอันนี้สกุลบันอกคุณชเวยๆไม่ให้ก็รังเกียจกันรังเกียดในในด้านของสกุลตลอดถึงไม่ต้องการคบค้าก็หาสมาคมกับคนระกุณใดสกุลเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราไม่ชอบเบยนแมเรามีโทสะเรามีโทสะในคน ดีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่ชัดแล้วสําหรับเรานั้นเรามีโลภมีหลงเห็นไหมฮะเราหลงตัวเราเราก็คล้ายเก่งหรือเกินนะฮะเหมือนกันอะไรเลือดสีน้ำเงินอะไรสมัยโบราณเขาพูดพวกยุโรปก็กษัตริย์เลือดสีน้ําเงินเนี่ยเลือดสีเดียวกันนะฮะจริงทีงนี้มันมั น, ม, นมันเกิดอาหังการตอนนี้ขึ้นมาก็ไม่ยอมรับน้าถือคนอื่นเป็นอันมากแสดงอะไรแสดงว่าศรัทธามี นะเพราะว่าไม่สามารถใครจัดความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาได้แต่ถ้าคนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาจจัดตรงนี้ได้แล้วตลอดถึงสนีวันนะเาเรียกวันนะ น, นี่ไมหมายถึงผิวด้วยนะฮะหมายถึงความดีด้วยหัวงผิวหัวงพวกวันนะบางทีก็แปลว่าพวกวันนะพรามนาเกษตรบางทีก็แปลว่าพวกนะฮะบางทีก็แปลว่าผิวบางทีก็แปลว่าความดี ไม่ยอมที่จะบอกกล่าวอธิบายเช่นหวงวิชาอะไรอะไรต่างๆนะฮะเราจะเห็นว่าสูตรอะไรเนี่ยบ้านนายหายไปจากโลกเนี่ยนั่นมันเกิดมาจากอาการของมัจฉริาตแต่คนเหล่านี้เข้าจัดได้หมดผู้ศรัทธาก็เข้าจัดได้ผู้ศรัทธานั้นจะมองไปในเชิงผลที่เป็นความสุขที่ตัวเองสัมผัสจริงที่ตัวต้องการคือสุขนะ ค, คนที่ศรัทธาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ไม่มีอะไรคือต้องการสวรรค์นะฮะต้องการสวรรค์ต้องการสวรรค์ต้องการความสุขที่ประนีตขึ้นไปแต่ว่าสิ่งของเหล่านั้นเราไม่ไม่ยินดียินดีที่จะแปลสภาพให้เป็นความสุขให้เป็นสวรรค์ให้เป็นความสงบให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพาน แ, แต่และแต่คิดนะฮะมันก็หลายชั้นชั้นของความคิดตลอดถึงตณีธรรมะ คนที่ตรณีธรรมะไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบายไม่ยอมชี้แจงให้แก่คนอื่นเนี่ยแสดงว่าขาดความเมตตากรุณาต่อคนอื่นการความมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนอื่นคล้ายๆกับเราได้ของดีมาเนี่ยไม่ยอมแบ่งให้ใครเนี่ยแสดงว่าใจแคบแต่คนที่มีศรัทธาเขาไม่เป็นอย่างนั้นตัวนี้จึงกลาเป็นมาสนะเป็นเครื่องวัดของคนที่มีศรัทธา แต่สถาเองมันก็กกมีอยู่หลายระดับแต่ราบโดยรวมท่านจะพูดไว้สองระดับเท่านั้นเองคือจะรัสตาสลัดสตาที่แ่งสตาที่ยังหวั่นไหวได้เราเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องภูเขาเลยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายผลรติปัญญาเราด้วย บางคนก็โกรธพระสงฆ์สรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไหว้เฉพาะพระพุทธกับพระธรรมไม่ไหว้พระสงฆ์แล้วมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรของคุณนะเออคือคือคือปัญหาเรื่องแท้ๆนะะคือแสดงว่าไม่รู้จักแม้แต่พระรัตนตรัยจะคุยโม่โอวดเวทเทพุทธเราไม่รู้จักแม้พระรัตนตรัยนะพระรัตนตรัยมันแยกกันได้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ที่เราไหว้ไม่ใช่พระองค์ที่ราโกรธเห็นะ เราไหวเราน้อมถึงพระอริยสงฆ์พระสงค์เองก็ไหวน้อมถึงพระอริยสงฆ์ไม่ได้ไหวพระกรบพระข อ, ะขอไม่ได้คิดไม่ได้คิดมุ่งไปที่ตัวพระกรบพระขอแต่เรามุ่งไปที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรม น, นี่ที่ว่ามีบ่อยนะคำเหล่านี้ออกมาบ่อยเลยพออะไรประโกรธพระอะไรสักองแล้วเลิกไหวพระแล้วนึกว่าโก้นะนึกว่าพระแต่พองขึ้นตายหมดแล้ว ถ, ถ้าตัวเองไม่ไหวนึกว่าคงจะเป็นยังไงะนะ ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอย่างที่บอกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้ววัตถุประสงค์ในการพระศาสนาเขาไม่ได้มุ่งให้คนไหว้นะพระ majan น, นี้เราไม่ได้ประพฤติเพื่อลาบสักการะชื่อเสียงเพื่อความเคารพนับถือขึงคนทั้งหลายเพื่อผลประโยชน์ว่าคนทั้งหลายจะมารู้จักเราอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์บวอย่างนั้นก็วุ่นวายตายคนไหว้มากๆไม่จะสนุกนะพูดเป็นเล่นนะ ไปเจอมาไปโดนกันที่ท้องสนามหลวงจีนโอ้โหแย่เลยเป็นชุดช่วโมงอนะไปไหนไม่ได้เละโยมแห่กันมาไหว้กันมาเป็นนั่งกันสี่รูปนะสมเด็จหลบลงมาตอนไหนไม่รูม้มองไปมองมาเหลือแต่มาองคเดียวไอเราเป็นเลขาธิการเนี่ยเรามาไม่ได้อะเราผู้รับผิดชอบงานเราก็นั่งกันโอ้ยตายแล้วไปไหนไม่ได้โยมขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกเด๊มาไหว้กันว่ว้กันจริงจะไห ว, ไว้ยังไงไหวก็ไหวไมนั่งอย่างงั้นแหะ แต่เราเสียเวลาไปสิ่งเยอะหลายช่วงไปไหนไม่ได้นั่งไงเขาไหวายอย่างนั้นนะก็ที่มันไม่ได้กว้างอะไรนะคนขึ้นมาทิ้งได้สี่้อสี่แบบขึ้นมาลงไปขึ้นมาลงไปมันไม่ได้อยู่สักทีนะไม่รู้นึกอะไรขึ้นมานั้นโอ้ไม่ใช่สนุกนะคนไหวนี่ยเขาทําบุญของเขาอย่างที่บอกว่าเขาทําบุญของเขามันไม่ได้มันพระไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาในเขาไหวนะ ไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาไว้เออพอเขาไหวเราบุญขึ้นพวดพวดพวไม่ใช่ฮะบุญขึ้นที่โยมันจะขึ้นมันขึ้นที่โยไม่ได้ขึ้ น, นที่เราอ่ะเราก็เท่าเดิมนัแหละนี่ ก, ก็คือก็คือสิ่งที่ที่วิญญาณไปหลงประเด็นอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าเราสําคัญมากถ้าเราไม่ไหว้แล้วพระตายหมดละเมืองไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่อย่างงั้นมันไม่ใช่วัตถุ ป, ประสงค์ของพศาสน า, า น, นี้เขาไม่ได้บวชเพื่อใครไหวหรอกเขาไหวเนี่ยเพราะเราเห็นมาตั้นควรไหวแต่นั่นเองแต่เราเห็นว่าไม่ควรเราก็ไม่ไหว นั่นคือลักษณะของศรัท ธ, ธาแสดงว่ามันแกล้งเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้เป็นอะไรฮะแล้วก็บอยที่สุดบอ่อยที่สุดไม่ข่าวอะไรเกี่ยวกับพระมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่ไหนแต่ไรอาตมานี่ติดใจมาตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆมีผู้หญิงคนหนีผู้ร้ายวิ่งเข้าไปขึ้นพลวดไปกุฏิพระเข้าไปในในกุฏิพระพระก็ตกใจนะผู้หญิงวิ่งเข้าไปก็วิ่งออกอะนะ แกวิ่งออกมาแล้วแกก็ผู้หญิงก็ขอช่วยแกก็ปิดประตูไว้เจอแก็ปิดประตูไว้แกก็อยู่ข้างนอกนะจริงๆอ่ะมันสร้างข่าวเป็นพระเอาผู้หญิงไปอยู่ในห้องก็ก็จะว่าเอาผู้หญิงไปอยู่ในห้องมันก็ก็ผู้หญิงวิ่งกันไปเองไงนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมันก็เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วมาเดินไปบินรบาดที่บางคุนพรหเนี่ยคนก็นั่งอ่านหรือพินไทยรัฐอะจําได้ อ้พระเดี๋ยวนี้ไม่น่าไหวไม่น่ารนะับเสือพระเดี๋ยวนี้นะแกใช่พระเดี๋ยวนี้ฮะการข่าวรุ่นพิมพ์นิดเดียวแกด่าพระหมดทั้งเดี๋ยวนี้เลยนะหมายความทั้งโลกนี้ที่มีอยู่ชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนั่นนั่นนั่็นว่าสั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่รนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่านั่นนะัาต้องรู้ถ้าเรายั่นนั่นนั่นนั ถ้ัทาแว่งจึงเสียงศรัทธาแว่งจึงเสียงเสี่ยงต่อทุกเรื่องนะฮะเสียงต่อทุกเสียงมันไม่มั่นคงเนี่ยฮะแต่ศรัทธาที่ทรงรับรองผลนั้นทรงรับรองในฐานะที่มั่นคงศรัทธาที่เรียกว่าอจะล่าศรัทธาคือไม่แว่งน ะ, ะไม่แว่งไม่หวั่นไหวก็รับรองในระดับต่างๆเอาไว้เช่นว่ารับรองโดยพื้นฐานโดยรวมว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วจะให้สมเ็ประโยชน์ สตารวบรวมไว้ซึ่งสเบียงคือกุศลสัทธาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนก็เรื่อยไปนะฮะจนข้ามโอคาหวงน้ำคือกิเลสได้ก็โดยสัทธาติสัทธาที่มั่นคงจริงๆเนี่ยเราเองไม่โดนทดสอบนะถ้าโดนทดสอบมันถึงก็แกว้งนะฮะเพราะว่าคนที่สัทธาไม่แก่งนะมันมีตั้งแต่ปโุ ร, รบันขึ้นไปเท่านั้นเอง เพียแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอการทดสอบแต่นั้นเองบางทีเขามานินทาพระอะไรให้ฟังหน่อยเดียวไปแล้วนะฮะไปแล้วก็โจรไปเครื่องมือกาดแล้วก็ลงมือก็นั่งด่าพระฮก็ตั้งปัญหาถามทำไมด่าพระบุบธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองคือด่าคนอื่นนี่กลัวถูกเตะด่าพระนี่สบายมากเลยไมไ่มีอะไระนะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรียกด่าสานาชีพระ คือว่ามีคนในโลกนี้มีคนกลุ่มเดียวที่ไม่มีเจ้าของคือพระออกมาจากบ้านแล้วบางทีก็ไร้ญาติไร้โยมไม่มีญาติพี่น้องอะไรใครนึกจะด่าก็ด่านะฮะนึกจะด่าก็ดา่าสํานาชีพราหมณ์ยังถูกดูหมินเหยียดหยามมาตลอดสมับคนผ่านทั้งหลายโดยแม้แต่คนไม่เคยผ่านอะไรนะคือครึ่งดีครึ่งครผ่านนะั่นแหละนะเรื่องนี้ท่านดงตาเทีนยาชีจึ ง, จ ง, จ ง, จงมีเยอะในเมืองไทย มันไม่มีอะไรมันผูกเรื่องขึ้นมาเพื่อ น, นั่งนินทากันกินล้ากันไปนินทากันไปแต่นินทาชาบ้านไม่ได้มันต้องมองซ้ายมองขวานินทาพระสบายมากเลยนิทานพระกับยายชีนิสบายมากเราจึงมีนิทานตาเถรยายชีในวงเล่าทุกแขงในเมืองไทยสภากาแฟวงเลา่าทั้งหลายเนี่ยสะสมบาปด้วยปากด้วยใจกันมาตลอดคนคือไม่ค่อยเจริญอะไรแต่ลยไปนะเป็นเมืองศาสนาแต่นั่งนินทาพระนินทาแม่ชีเนี่ยนินทานักบวชผู้ประพฤติประมาจัน ทุกประเทศทุกส่วนนะนิทานได้เทยียนเฉีนี่เกิดจริงๆแล้วไม่ฮะสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมานั้นนะนะนะเพื่อนนำมาเล่ามันมันอะไรสมัยนี้ก็เรียกเอ็นจอยปากจอยปากดีไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเวลาคนอื่นเนี่ยเพื่อนเพือ่อบางทีญาติพี่น้องก็ตีหัวเอานะด่าพรานี่สบายมากนั่นก็แต่มากับแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีศรัทธา มันกัดแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาศาสนาก็ไม่ประกาศไม่ประกาศว่าเธอจะไม่หลงตลายจะตายแล้วจะบังเกิดในสุกติมันมันไม่ประกาศให้ศรัทธาที่พระเจ้าทรงประกาศก็คือศรัทธาที่สามารถขจัดกิเลสตังกาได้คนที่ มันคงจริงๆริท่านจึงอยู่ระดับของพระโสดาบันพวกนี้ไม่แกล้งนะนะไม่แกล้งจะขู่ฆ่าให้ตายก็ได้จะล่อได้ผลประโยชน์จํานวนมหาศาลก็ได้ให้ตําแหน่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ได้ถ้าให้ปฏิเสธพระตัระตนตรตัยไม่เอาพวกนี้ไม่มีทางที่จะด่าพระรับรองได้เลยใครจะทําอะไรก็ไปเถอะท่านแยกได้ชัดนะพระกรับลูกสาวบ้านเนท่านแยกได้ชัดเพราะเรื่องเรื่องศรัทธาท่านจึง ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามีข้อมูว่าต้องมั่นคงและท่านก็ประกรันผลเอาไว้คุณสมบัติของความเป็นประโสงดับบันจึงจแสดงออกมาซึ่งพลังศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวว่วาศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประทัมพระสงฆ์ในตจรีขาสอย่า ง, งนะี่นะสีอย่างเท่า น, นั้นเดียซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบก็ไม่หวั่นไหว แต่ของเราที่จริงเราไม่เคยเจอเท่าไหร่นะเราไม่เคยเจอเรื่องกระแทกกระทันเท่าไหร่บางทีรู้สึกคล้ายๆจะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าไปเจอเรื่องแรงๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เป็นประโสดาบันังนั้นความเพียรพยายามจึงเป็นเรื่องต้องกระทำเพิ่มปูนไปเรื่อยๆศรัทธาจึงอยู่ในกลุ่มของภาวตะตาะธรรมธรรมที่ต้องอบรมกระทำให้เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นจนมั่นคงเป็นที่พึ่งพวานักของเราได้